ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนะนั้นการออกกําลังกายถือว่าเราได้ปฏิบัติกรรมฐานในหมวดว่าด้วยธาตุสดินน้ํำลมไฟที่จะทําให้สมดุลนะก็เราก็เอามาใช้เป็นออกกําลังกายในวิธีการต่างๆธาตุดินก็โดยอาศัยร่างกายที่มันมีความหนักความนวงความเจ็บความปวดให้เราเห็นชัดทัดน้ําเราได้อาศัยความเย็น ชุ่มนะของร่างกายทัดไฟทัดลมมาทํางานร่วมกันทําให้เราได้ใช้ลมหายใจทําให้เราได้รู้จักใช้ความร้อนของเวทนาต่างๆเข้ามาดูแลร่างกายเพื่อให้เกิดการไหลเวียนสะดวกแล้วทาให้ร่างกายของเรามีอาพาธน้อยแล้วก็ทําสมาธิจิตได้เร็วเพราะเรานําเอาตัว ทางสมถะและวิปัสนามาศึกษาร่วมกันสมถะคือการดูแลเกี่ยวข้องร่างกายทั้งหมดนะวิปัสนาคือการดูแลเกี่ยวข้องด้านจิตใจทั้งหม ด, นะดแต่มแสมถะและวิปัสนามาด้วยกันจะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันก็ทําให้เราได้ชีวิตที่ดีกว่าได้สุขภาพที่ดีสุขภาพกาย ท, าายที่สุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีเหมือนกเถิดถ้าเรากรรมาฐานได้อย่างถูกต้องแล้วนะ แต่ถ้าเรากรรมฐานด้วยความหมายอื่นที่ไม่ใช่ได้ร่างกายที่ดีจิตที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องของศาสนาอื่นไม่ใช่เรื่องของผู้ศาสนาผู้ศาสนาต้องทํากายทําใจให้ดีขึ้นจนไม่มีทุกข์น่ะดีที่สุดคือไม่มีทุกข์ทั้งกายทั้งใจนะเพราะในสถิปฐานสูตรมีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าทุกขโทมนัสสะทุกขโทมนัสสะังอัตถังคมายานะ วความตั้งอยู่ไม่ได้ของความไม่สบายกายคือทุกและ โ, โสโุมนัสสนังความไม่สบายใจความไม่สบายกายไม่สบายใจมันจะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าเราทําถูกนะทั้งหมดมี5วัตถุประสงค์ด้วยกันใช่ไหมวัตถุประสงค์แรกที่ว่าสาัตวา์นังวิสุทธิยาเพื่อความสะอาดหมดจดของจิตของเราวัตถุประสงค์ที่สองก็ว่าทุกขโท โศกับริเทวันังสมรติกมายะเพื่อการก้าวข้ามหรือก้าวล่วงเสียได้ซึ่งความสุขเศร้าวความพิไรลําพันธนะ์อันที่สก็คือทุกขโทมานัสานังอัฏฐามายะเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้ของความไม่สบายกายไม่สบายใจอันที่สี่คือยายสัธิกมายะเพื่อการเข้าถึงธรรมที่เราควรจะเข้าถึงอย่างสูงสุดเรามีความสามารถเข้าถึงได้เท่าไหร่เราก็ควรจะเข้าถึงเท่านั้น แล้วก็นิพพานศาสต์สิการณัตถายะเพื่อการทำพระนิพพานให้แจง้งนั่นก็คือการทำให้ความสงบเย็นของกายของใจให้ปรากฏชัดอยู่ตลอดเวลานี่มันห้าจุดประสงค์ด้วยกันในสติปัฏฐานสี่นั่งนั้นถ้าหากเราทำไม่ถูกนะ่ะวัตถุประสงค์ทั้งหาประการเนี่ยเราก็เข้าถึงไม่ได้ถ้าเรามีความ ไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่เราจะทำไงให้มันอยู่ไม่ได้ไอ้ความไม่สบายกายไม่สบายใจเราก็ต้องหาวิธีทาอย่างเตรมความสามารถมันถึงจะถูกต้องดังนั้นความไม่สบายกายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของกายก็จริงแต่ว่าเราสามารถจัดการมาได้เราอัดถังเขมามยะทำให้มันตั้งอยู่ไม่ได้นั่นคือการบาบัดการปรับเปลี่ยนการแก้ไขการเยียวยาการธนุถนอมการบารุงร่างกายนี้เพื่ออะไร เพื่อเป็นที่ตั้งของธรรมหรือว่ารูปธรรมรูปธรรมก็ต้องมีที่ตั้งเมื่อรูปธรรมมีที่ตั้งดีมันก็จะเป็นที่ตั้งของนามธรรมคือทั้งด้านจิตวิญญาณมีที่ตั้งที่ดีด้วยนะฮะแต่ถ้าหากว่าร่างกายขาองเราเป็นโครคภัยไข้เจ็บมากมันก็ที่ตั้งมันผุมันโทรมมันเก่ามันคล้ำล้ า, ม, ลา ม, มันไม่แข็งแรงนามธรรมก็ตั้งอยู่ลำบากนามธรรมคือจิตที่ปกติเมื่อรูปธรรมมันไม่ปกติ นมามธรรมก็จะอยู่ปกติได้ยากเพราะจะต้องซัพพอร์ตสนับสนุนซึ่งกันและกันดังนั้นสติปัญญาสี่จะช่วยให้เราสามารถที่จะดูแลรักษาทั้งรูปธรรมนามธรรมให้ปกติได้แล้วก็ต้องศึกษาเพราะนั้นในเมื่อวานเนี่ยเราศึกษาเรื่องอารมณ์หายใจนะ่ึกษาเรื่องลมหายใจก็เราใช้เอ็เีเข้ามาช่วยทีไราภาคปฏิบัตนะิเมื่อวานนะก็ รู้สึกว่าเมื่อวานเราได้ทำการปฏิบัติแบบวิจัยช่วงเย็นมาแล้วก็มาทำวิจัยร่วมกันก็รู้สึกว่าได้รายละเอียดพอสมควรนะสำหรับวันนี้เราก็จะมาศึกษาเรื่องของที่เราสวดตั้งเช้าอ่ะปุณาจาระปรังพิขเวพิขุอย่างอื่นยังมีอยู่อีกไม่ใช่เรื่องลมหายใจเท่านั้นอย่างอื่นยังมีอีกปุณาจาะปรังหชันโตวาคัชามิติปาชานาติ ผู้ปฏิบัติเมื่อเดินก็ให้รู้ชัดๆัดว่าเดินประชานาติแปลว่ารู้ชัดแปลว่ารู้ซื่อาภาษาหลวพ่อเทียนคือประชานาติแปลว่ารู้ซื่อคือรู้ซื่อรู้ชัดชัดรู้ลงไปในสภาวะที่มันมีอยู่จริงนะเวลาเราเดินเรารู้สึกยังไงบ้างธรรมบติถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกฝนด้านวิปัสนาเราเดินก็เดินแบบเผลอเดินไปใจไม่ได้อยู่กับตัวสมมติเราจะเดินไปห้องน้ําใจมันไปรออยู่ที่ห้องน้าแล้ว นี่เขาเรียกว่าไม่ซื่อละคือกายกับใจกายกับใจมันไม่ตรงกันไม่ตรงกันไม่ซื่อกันไม่แมทกันไม่สัมพันกันไม่สมดุลกันเรียกว่าไม่ซื่อใ่ภาษาแต่กายกับใจมันตรงกันมันซื่อกันมันแมทกันสมพงกันไปด้วยกันนั่นแหละเขาเรียกวมันซื่อมันตรงนี่พิสุเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเดินอยู่ทีโตวาทีโตมหีทีปัญญานติ เมื่อยือนก็รู้ให้ชัดๆว่ารืนยือนอยู่คำา่ารู้ชัดสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นมีอะไรบ้างมีอาการหนักมีอาการเบามีอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงตามร่างกายมีอาการเวทนาทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็มีอาการเฉยเฉยเนี่ยมันมีอยู่ไหมอะไรมันปรากฏชัดก็ให้รู้อันนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อ นั่งอยู่ก็ให้รู้ชัดๆว่านั่งอยู่ น, น, นิซุนนิสินโนวานิซุนโนโฮมหฮิติปิชาณัติขณะที่เรานั่งเนี่ยรู้ชัดลงไปว่ามีอะไรบ้างก็สํารวจลงไปเรามีนั่งนะนั่งห น, หนักที่ตะโพกบ้างปวดที่หลังบ้างปวดที่ไหล่บ้างปวดที่คอบ้างปวดที่หายใจเข้าเป็นไงสัน้นหรือยาวหายใจเข้าติดขัดหรือหายใจลงเ <c oughs> นี่ยรู้ลงไป <c oughs> ในอาการเหล่านี้ก็ว่ารู้ชัดๆ ไม่ใช่รู้แบบเพ่งนะถ้ารู้แบบสมถ า, าก็คือรู้แบบสมถาแบบพรำคือเพ่งให้ร่างกายนี่มันเป็นผมขนเล็บฟันหนังให้ร่างกายนี่มันเป่าเน่ามันเปื่อยให้ร่างกายนี่เป็นของอ น, นิจจังอันนี้เขาเรียกรู้ไม่ชัดเพราะภาวะนั้นมันเป็นรายละเอียดไม่จําเป็นต้องนึกมันแต่ให้ระลึกถึงภาวะที่มันปรากฏภาวะที่ปรากฏมีขณะนี้มีอะไรบ้างลาเรียงลงไปมีทั้งการเคลื่อนไหวบางส่วนก็ เคลื่อนไหวมากบางคนเคลื่อนไหวน้อยเคลื่อนไหวถึง4ชั้นนะเคลื่อนไหวชั้นแรกเช่นเรากาลังพูดปากเราเคลื่อนไหวเรากาลังหายใจเข้าไวออกมีการเคลื่อนไหวของลมมีการเคลื่อนไหวของชีพจรการหัวใจเต้นมีการเคลื่อนไหวในระดับกายระดับที่สองเเรามีการเคลื่อนไหวอะไรการเคลื่อนไหวของเวทนาในขณะที่เรานั่งเนี่ยมีอาการของ เลื่อนลมหมุนเวียนเรากเกิดอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงในทั่วร่างกายการเคลื่อนไหวกายการเคลื่อนไหวในส่วนที่เป็นอวัยวะการเคลื่อนไหวของเวทนาเป็นการเคลื่อนไหวของความรู้สึกเย็นร้อนอนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดสบายไม่สบายการเคลื่อนไหวของจิตเป็นการเคลื่อนไหวของความพอใจและไม่พอใจหรือเฉยเฉยการเคลื่อนไหวของอารมณ์ในขณะนี้เราอารมณ์ดีหรือไม่ดีนี่เขาเรารู้ให้ชัด ถึงภาวะที่ปรากฏอยู่ทั้งสอย่างเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมนี่เรียกว่านั่งให้รู้ชัดนอนสยานโนวาสนญญมีติประชานนอนให้รู้ชัดอีกเวลาเรานอนรู้สึกยังไงนอนหลับดีไหมหรือนอนไม่หลับเพราะอะไรนอนหลับฝันหรือไม่ฝันนอนหลับสบายหรือไม่สบายสํารวจตรวจสอบนี่คือให้รู้ชัดชัว่ามันคือให้รู้ภาวะที่เรามีอยู่จริงๆขณะนั้นเรียกว่ารู้ชัดคือประชานาติ ถ้านอนสบายสาเหตุเพราะอะไรไม่สบายเพราะอะไรนอนหลับเพราะอะไรนอนไม่หลับเพราะอะไรรู้เข้าไปชัดๆแต่ถ้ารู้ไม่ชัดแล้วก็คิดนอนไม่หลับก็คิดนอนหลับก็ฝันนอนสบายก็ติดนอนไม่สบายก็ทุกอะไรนี่เขาเรียกรู้ไม่ซื่อแล้วคำว่ารู้ซื่อหมายความมันมีภาวะอย่างไรก็รู้อย่างนั้นมันนอนหลับก็รู้มันนอนหลับนอนไม่หลับก็รู้มันนอนไม่หลับแค่นั้นเองไม่ต้องไป พี่ลีพี่ลายที่คิดปรุงแต่งว่าจะเป็นอย่างง้นอย่างนี้แสดงว่าไม่ซื่อละนะเรียกว่านอนไม่ถูกนั้นอันนี้เรีรบบทสี่ให้พิจารณาเข้ามาร่วมกันที่เราสวดว่าให้พิจารณาอย่างไงให้พิจารณาว่าออิติอาชาตังวากายกายานุปัสสิวิหรนติเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายภายในภายในกายของเราเป็นยังไงอ่นะ พิจารณาในส่วนที่เป็นภายนอกพระหิธาภายนอกกายเป็นอย่างไรภายในกายแล้วก็จะมีเวทนามีจิตมีอารมณ์ภายนอกกายก็จะมีตัวการเคลื่อนไหวนะทั้งภายในและภายนอกก็เห็นทั้งาการเคลื่อนไหวของกายของใจร่วมกันไปในขณะนั้นก็ยังไม่พออีกท่าบอกสมุทยทยธรรมาลุปัสสิวิหารตีพิจารณาว่าสิ่งกําลังเกิดขึ้นในกายนี่มีอะไรบ้าง เราเกิดขึ้นแล้วสิ่งกำลังดับไปมีอะไรบางพิจารณาในส่วนทั้งเกิดทั้งดับทั้งสองสามอย่างเนี่ยเราพิจารณาอย่างเนี้พิจารณาทั้งภายนอกภายในทั้งทั้งเกิดทั้งดับให้พิจารณาลักษณะอย่างเงี้ยทั้งภายนอกภายในทั้งเกิดทั้งดับในเวลาเดียวกันทุกส่วนทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมมันมีอยู่สองลักษณะคือ ภายนอกและภายในมีเกิดและมีดับมเมื่อพิจารณาอย่างนี้ท่านบอกว่านั่นแหละเป็นคำให้เกิดสัมมาสติสติที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นต่มาเราก็สวดว่าในส่วนในอิริบทสีเนี่ยแม้นั่งมันก็มีอิบทย่อยอยู่นะมีอะไรอิบทตยอ่อยทัานบามีอภิกันเตปฏิกันเตขณะที่เราเดินเนี่ยมีการก้าวหน้าลอยถอยดัง ก้าวหน้าเดินไปข้างหน้าถอยหลังก็มีอะโลคิเตวิลาโลกิเตในขณะที่เดินไปเนี่ยเรามีการเลี้ยวซ้ายไหลขวาเรารู้ไหมว่าเลีวซ้ายไหลขวารู้ไหมเนี่ยสัมินชิเตปาสาลิเตสัมปชัญญากาลีหุติในการคู่เข้าเหยียดออกที่เรามาสร้างเป็นจังหวะนี้เพราะฉะนั้นสร้างจังหวะนี้ก็คือมาจากสัมปชัญญะปปว่าด้วยสำมินชิเตปาสาลิเตปาษาวแปลว่าเหยี็ดออกสำมินแปลว่าคู่เข้า การยกมือคู่เข้าเหยียดออกนี่ก็คือตัวอีบุตรย่อยนะแต่อิบุหลักคือนั่งอยู่อิบุย่อยคือการคู่เข้าเหยียดออกนี่เรียกว่าอิบุย่อยเรียกว่าสัมปชัญญปะปปะในอิบุตรย่อยเนี่ยเรานั่งเป็นยไงนั่งพับเพียบซ้ายหรือพับเพียบขวานั่งคัศมาดหรือนั่งทับซนหรือนั่งพับเพียบหรือนั่งเหยียดขานี่เป็นอิบทย่อยอิบุหลักคือนั่ง บทย่อยก็คือการที่เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆขณะที่เราเปลี่ยนเราเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอะไรไหมทั้งภายนอกและภายในเพราะฉะนั้นในสติปรฏฐานท่านล็อกไว้หมดเลยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ไปตามนี้มีพิจารณาตามนี้ก็เรียกว่าเราสัมมาสติเราก็ไม่ครบนะอันต่อมาท่านบอกว่าสังคติปัตตะเจวราธาราเนสัมปชัญญการิโหติที่นี่เราเป็นชาวบ้านเราจะบอกว่ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการสงสังคติบาทีวอนได้ แต่เราก็มาเปลี่ยนไปนมีความรู้สึกตัวทุกพร้อมในขณะที่แต่งองค์ทรงเครื่องใช่ไหมแต่งตัวจัดผ้าจัดผนเวลาเราแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยก็ต้องแปลไปให้เข้ากับสภาวะของเราถ้ามีความรู้สึกตัวโน้พร้อมในการใส่เสื้อในการนุ่งผ้านุน่งเสื้อในการหวีผมหวีเ้าในการแต่งหน้าแต่งตาเนี่ยปัาชัวิรสังขาติปัาจัฐานะ ต่อมาท่านบอกว่าอุจาราปรสาวะกัมเมในหนังสือนี่ตกไปเยอ ะ, อะจริงจริงมีคําว่ากัมเมแอุจาราปาสสาว ะ, ะสัมปชัญะกัลลไม่มีคําว่ากัมเมตกไปบาทีสีตกแต่ ว, ว่าส่วนเราจำได้ว่าอุจาราปัสาวะกัมเมสัมปชัญญะกัลลิโหติเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวพร้อมในการอุทายอุจาราปัสาวะในการเข้าห้องน้ําเนี่ย มันจะมีรายละเอียดเยอะเลยใช่ไหมในขณะที่ถ่ายอุจจาระเราเริ่มต้นอย่างไรก่อนเริ่มต้นจะรู้สึกไม่สบายตัวแล้วทําไงต่อคิดถึงห้องน้ํารู้ตัวไหมสองคิดถึงห้องน้ํากลับมาประคองตัวลุกขึ้นเดินไปทางไหนเดินไปห้องน้ําขณะเดินรู้สึกตัวไหมล้วก็ใช้สัมปชัญญะแล้นะรู้สึกตัวขณะเดินไม่ให้ใจไปวิ่งไปอยู่ห้องน้ําตัวเองวิ่งลุนลุๆๆุไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่เขาเรียกว่าไม่มีสัมปชัญญะ ในรู่เออห้องน้ําอยู่ตรงนั้นเราค่อยขยับตัลุกขึ้นก้าวซ้ายย้ายขวาไปให้รู้ทีละก้าวละก้าวไปนี่เขาเรียกว่าสัมปชัญญะปปะ ร, รู้ในอิริบุตรย่อยทีหนึ่งนะแล้วก็ปีเตชายิเตสายเตสัมปชาหนา ก, การิโหตินะมีปกติทําความรู้สึกตัวนะพร้อมในการเคี้ยวในการดื่มในการเคี้ยวในการลิ้มเนี่ยให้รู้ในขณะที่เคี้ยวเคี้ยวอาหาร ว่าเราเคี้ยวอย่างไรเคี้ยวกี่ครั้งแล้วกืนกืนกี่หนก็เข้าไปตามรู้อีกาการรู้อย่างนี้คือเรื่ยองรู้อิริบทย่อยเป็นสัมยยปชัญญะปปะพรอีกอันสุดท้ายท่านบอกว่าคัดเตทิเตนิสินเนสุเตชาคดิเตตุนฮีภาเวอสุเตตุนฮีภาเวสัมปชนาการีโหติมีความรู้สึกตัวรู้พร้อมในการไปในการานั่งในการพูดในการ ตื่นในการหลับในการพูดในการนิ่งเนี่ยรู้อาการย่อยๆลงไปอีกเนี่ยเราจะเห็นว่าสัมปชัญญะคือในอิริบทย่อยทั้งหมดเวลาเราดูก็ดูลงไปเรียบเรียงลงไปนะเพราะฉะนั้นเองในจุดนี้เรามาเน้นรีบุตรย่อยเพื่ออะ้รเพื่อจิตของเรามันจะไม่ส่งออกไงพอเรามาพิจารณาในจุดนี้จิตมันก็จะนําเข้ากลับเข้ามา เมื่อจิตกลับเข้ามาดูรายละเอียดแบบนี้ปั๊บจิตมันก็ไม่ปรุงแต่งโดยอัตโนมัติของมันแต่ถ้าจิตของเราไม่มีที่ตั้งในบทเรื่องเหล่านี้จิตมันก็จะลักออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนั้นเขาจิตสงูงออกเป็นสมู ท, ทยัยจิตกลับเข้ามาเป็นเนโรจิตวิ่งออกไปเป็นสมู ท, ทยัยจิตกลับเข้ามาเป็นเนโรจเพราะฉะนั้ตนตัวไหนที่ทําให้จิตเกิดกลับเข้ามาได้ก็สติเพราะสติก็กลายเป็นตัวเนโรจเราจึงมาสร้างตัวสติบ่อยๆ สร้างสัมปันธ์ญญา่าการกระตุ้นให้เกิดสติสัมปัญญนี้ก็คือมักนั่นเองคือทําบ่อยๆมักต้องทําให้เจริญน่ะมั ก, กหมายความเจริญคือทําให้มากมเนี่ยพุ่งลีกระตาพวิตาพุ่งหลีกตาการกระตุะต้นความรู้สึกตัวบ่อยๆการความรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยนะสติหมายความว่าคอยคอยระลึกเนี่ยระลึกเวลาเราจะเคลื่อนไหวระลึกนะสัมปัญญหมายถึงได้รู้ลึกเข้าไปอีกชั้นนึงก็คือได้รู้ถึงอาการเกิด อาการดับอาการหนักอาการเบานี้เป็นสัมปชัญญะอาการที่เราตั้งใจขยับขับเคลื่อนนี้เป็นสติการระลึกรู้ลงไปในอาการของขยับขับเคลื่อนแล้วมีอาการเปลี่ยนแปลงหนักเบาเข้าออกเยน็นย้อนดึงพวกนี้เป็นสัมปชัญญะนี่นี่ก็ว่าอาตาปีก็หมายถึงตัวมักหมายถึงตัวที่ลงมือทําอาตาปีลงมือทําด้วยอะไรสัมปชาโนสติมาให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ ท่านจะล็อกไว้ทุกจุดเลยในปฏิหารสูตรนะฮะทีนี้แล้เราปฏิบัติเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มาลงรายละเอียดเรื่องนี้ปั๊บเราข้ามไปหมดเลยแล้วก็บอกเอ๊ะเราปฏิบัติมาตั้งนานทําไมไม่ก้าวหน้าทําไมไม่ไปถึงไหนทําไมชีวิตจีจแย่เราไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเราข้ามไปไงข้ามรายละเอียดเหล่านี้ไปนั้นเวลาเราปฏิบัติเราจะต้องระลึกถึงรายละเอียดเหล่านี้เพราะฉะนั้นในช่วงกลางวันเราจึงปล่อยเวลาให้ทําด้วยตัวเองนานๆเพื่ออะไรเพื่อจะต้องพิสูจน์ ถึงหงเรามีศรัทธาจริงไหมส 2. เรามีความเพียรถูกต้องไหมสามเรามีสติสมัมปชัญญาปกติไหมเราก็สามารถที่จะเพิ่มกําลังให้ศรัทธาความเพียรสติสัสมปชัญญะมีกําลังมากขึ้นยิ่งสิ่งเหล่านี้มีกําลังมากขึ้นเท่าไหรเราก็ยิ่งไปเห็นอาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้มากขึ้นเท่านั้น เมื่อเห็นอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชัดเจนเท่าไหรจิตของเราก็จะนิ่งเป็นสมาธิเพราะมันไม่มีโอากาสที่ไปวกแวกกับเรื่องอื่นเพราะจะมัวมาตามดูเห็นอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอะไรของอนิจจังทุกขังนัตตานะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลานี่เขาเรียกวิปัสสนาวิปัสสนาจริงเอาตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอารมณ์แต่เราตามภาษาปริยัติเรียกว่าพิจารณาไตรลักษณ์นั่นเอง พิจารณแต่รักคือพิจารณาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นเป็นอนิจจังตั้งอยู่เป็นทุกขังแล้วก็ดับไปเป็นอนัตตาก็มีอย่างเงี้ยตลอดอาการหนักเกิดขึ้นอาการหนักตั้งอยู่ยังไงพอเปลี่ยนไปอาการหนักหายไปอย่างไรเวลาเปลี่ยนไปอาการเบาเกิดขึ้นยังไงอาการตั้งอาการเบาตั้งอยู่ยังไงอาการเบาดับไปอย่างไรเนี่ยโดยอาศัย การเฝ้าดูการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปเรียกว่าสมถะการเข้าไปดูอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของนามคือความพอใจไม่พอใจเป็นวิปั ส, สนาทำไปพร้อมๆกันเลยนะแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ก็เรียกว่าปัญญาของเราก็จะสมบูรณ์ช้านะแต่ถ้าเราใส่ใจสิ่งเหล่านี้มากละเอียดขึ้นมีสติมามีสัมปชาน а ละเอียดขึ้นปัญญาก็ตามมาเรียกว่าวิปัสนาญาณนะงั้นวิปัสนาญาณเหล่านี้มันจะทําให้เราเห็นกายเห็นใจได้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจิตของเราที่มันวอกแวกวุ่นวายไปเรื่องราวต่างๆมันก็จะรวมลง ม, ม, มาในปัจจุบันพอรวมลงมาปัจจุบันปับ๊บเราก็เห็นความจริงพอเห็นความจริงปับ๊บเราก็เกิดความเบาสบายของจิตจิตก็จะเกิดการปล่อยวางได้ง่ายๆ แต่ถ้าหากว่าเราไม่ละเอียดเพียงพอเรายังชงช่างนั่งวุ่นวายยังโนอย่างนี้ย่างนั่นอยู่เยอะแยะมันก็ได้อารมณ์ช้าปฏิบัติไปเดี๋ยววิ่งเข้าเดี๋ยววิ่งออกเปิดประตู ว, วันละร้อยครั้งพันหนไม่เดี๋ยวเพิ่มอะไเดี๋ยวเพิบเข้าเดี๋ยวเพิ่ออกอย่างงี้มันก็ไม่ไปไหนสักทีใช่ไหมก็ลองนั่งนิ่งๆมาอยู่ตั้งนานๆเป็ น, นปชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นไปด้วยมันอะไรจะเกิดขึ้นเราก็พิจารณาอาการต่างๆขยับปรับเปลี่ยนมาอยู่แค่นั้นนะดูเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ทางนี้อะไรทางนั้นขึ้นอยู่กับความอดทนของเราด้วยความอดทนขึ้นอยู่กับว่าการมีศรัทธาแค่ไหนถ้าเรามีศรัทธามากความอดทนมันก็เกิดขึ้นมากถ้ามีศรัทธาน้อยความอดทนเราก็ต่ำํำนะดังนั้นเองในจุดนี้ยระพุทธเจ้าจึงได้นํามาแสดงให้เราได้ปฏิบัติตามเพราะที่ท่านตรัสรู้ท่านก็เอามาทุบถววั่ววเอ๊ มันเกิดขึ้นได้อย่างไรความรู้ประเภทนี้ท่านก็นมาเรียบเรียงเป็นสติปัฏฐานสูตรให้เราได้ศึกษานะเพราะนั้นว่าไปในสติปัฏฐานสูตรเนะี่ยมันครบพร้อมทั้งหมดเลยนะครบพร้อมในธรรมฝ่ายแต่จะดูเรื่อ ว, ว่าโพธิปัจญาธรรมมี37มีสติปัฏฐาน4ี่บวกสมมปัฏฐาน4บวกอีสี่บวกกละ5บทอิบัตสีบทโภชุนจ็ดอริมักเบืองแปดเป็น37 ทั้งสาีเจนี้เพราะว่าไปมันก็คือครบพร้อมหมดเลยการทำฝ่ายที่จะดับทุกได้นะเพราะนั้นเองเราก็ปฏิบัติแบบไม่สงสัยละทุกอย่างไม่ว่าฝ่ายปริยัติปฏิบัติครบถ้วนหมดเราก็ทําให้มันถูกต้องเท่านั้นเองทีนี้นนก็ทําบ่อยๆ อ, อย่างที่ว่าอันไหนมันทำไปแล้วมันไม่ถูกทําอีกทําไปแล้วไม่ทำไม่ถูกทําอีกอ น, นี่เรียกว่าการทําเป็นมักมักหมายความว่าทําบ่อยๆ บ, บ่อยให้มันจำได้ฉันใช้คำว่าสาตจาักการิโนการทาต่อเนื่องเป็นเป็นสาตจาักการโนรฉะนั้นเวลาทามันก็จะมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคเกิดขึ้นให้เห็นตัวเกิดคืออะไรตัวง่วงเกิดขึ้นแล้วตัวง่วงมันจะดับลงได้ยังไงก็มาใช้ตัวสติเข้าไปดับตัวเกิดทำให้เป็นสมู ท, ทยัยก็เอาตัวดับคือ น, นิโรธเข้าไป มันก็มีตัวกันตัวแก้ตัวเกิดตัวแก้อยู่งั้นแหละตัวเบื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็เอาสติที่เราฝึกเนี้ยเข้ามาแก้เป็นตัวดับตัวขี้เกียจเกิดขึ้นแล้วเราก็ฝึกสติโหสติสัมยิที่เราฝึกแล้วมันก็เข้ามาดับนี่สมุทัยกับ น, นิโรธเราทำงานร่วมกันแต่ถ้ามีแต่สมุทัย ไ, ไ, ไม่มีนิโรธมันก็เกิดผลนเป็นทุกข์นะแต่ถ้าหากมี สมุทัยมีนิโรธมาแก้หมายเขาว่าเราได้ทำมักอยู่แต่ละเวลาทำมักคืออะไรทำสติสัมยักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยให้เกิดขึ้นได้แต่ละเวลาแล้วตัวมักตัวนี้มันก็กลายมาทําให้เกิดนิโรธทํางานทํางานเข้าไปแก้ปัญหาเช่นว่าเราปฏิบัติไปเราง่วงมันเป็นอะไรเป็นสมุทยัยเราก็สติสัมยักเข้ามาแก้พอแก้ตกมันกลายเป็นนิโรธ นั้นตลอดเวลาถ้าสติประธานสี่ถูกต้องแล้วมันจะเป็นอริยสัจโดยอัยตโนมัติเลยแต่ถ้าสติประธานสี่ไม่ถูกต้องอริ ย, ยสัจก็ไม่เกิด น, นะเพราะฉนั้นตอนแรกเนี่ยเรามุ่งแก้ปัญหาทางกายให้เป็นก่อนทั้งรูปเรแก้ปัญหาทางรูปให้เป็นก่อนรูปมันหนักรูปมันเบารูปมันเจ็บรูปมันปวดแก้ให้เป็นอะมันหนักทำไงให้มันเบาก็ขยันขยับปรับเปลี่ยนนี่เป็นมกักละพอปรับเปลี่ยนเราจะเห็นว่าความหนักให้ไปความเบาปรากฏ ความหนักดับไปแล้วเป็นนิโรธความเบาก็ปรากฏขึ้นมาใหม่ความเบาปรากฏขึ้นสักพักแล้วก็เปลี่ยนเป็นความหนักต่อไปอีกอความสบายเกิดขึ้นเอแล้วเปลี่ยนเป็นควา ม, มสลับกันไปสลับกันมาการเข้าไปเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของการหนักคอนเบาของสู่ของทุกข์ขอ ง, งกายเก็เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์ การดูแต่ลักไม่จะไปพิจารณาว่า อ, อันนี้เป็นนิจังอันนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่พิจารณาอย่างนั้นนะแต่เห็นสภาวะกําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของภาวะของสุขของทุกข์ของสบายไม่สบายของหนักของเบาของอนิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเราไปเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เป็นรูปธรรมก่อนแล้วต่อไปมันก็เกิดทักษะทักษะตัว น, นี้ก็เป็นกุศลทําให้เราไปเห็นสภาวะที่สบายไม่สบายของจิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากในสตรีปรทาน4ีนะีแต่ถ้าเรายังไม่เข้าไปเรียนรู้หรือไม่เข้าไปอินไซต์ให้ชัดๆเนี่ยเราก็ยังมองไม่เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะดังนั้นเองการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยทุกเอียบททุกอาการเนี่ยมีความหมายนะมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ น, นะ สมมุติว่าเราขณะนี้เราขาดลมหายใจลงปุ๊บเนี่ยร่างกายทุกส่วนหยุดเคลื่อนไหวหมดเลยไม่มีความหมายเลยเป็นท่อนไม้ในขณะที่ท่านลมดีนับลมไฟกําลังทํางานอยู่เราดูมานล้วร่างกายมีความหมายมีเขามีเรามีกูมีมึงมีผู้หญิงผู้ชายมีคนรวยคนจนมีพระมีเนินมีเถนมีชีมีความหมายทตามสมุติหมดแต่พอหายใจมันหยุดลงปั๊บจิตวิญญาณหายปั๊บเลย ไอเราฐานะทางสมมุติทั้งหมดหายไปเลยเหลือแต่ซากศบเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราสามารถเคลื่อนไหวได้เนี่ยเราจะทำอยงไรให้เข้าใจความจริงตัวนี้ว่าวันหนึ่งเนี่ยความลมหายใจเราต้องหยุดเมื่อลมหายใจหยุดลงเนี่ยเราจะทำอยางไรให้หน่อนเนื้อเชื้อไขของกิเลสมันไม่นาเราไปเกิดอีก นั้นหมายความว่าเราจะต้องหยุดสนิทลงทั้งกายทั้งใจแต่ถ้านอนเนื้อเชื้อไขของกิเลสมันยังอยู่มีความวิตกกังวลในขณะตายมีความทุกข์ในขณะตายมีเวทนาหนักในขณะตายนี่จิตวิญญาณก็เกิดกระเด็นออกไปจากปัจจุบันกระเด็นไปอดีตอนาคตปับ๊บจิตวิญญาณตรงนั้นก็ไปเกิดใหม่ละทีนี้ไปหาปฏิสนที่ใหม่นี่ดังนั้นการที่เรา ศึกษาเรื่องนี้เพื่ออะไรเพื่อให้รู้เท่าทันแยกระหว่างตัวรูปกับตัวนามออกก่อนว่าตัวรูปคืออะไรเรารู้ไงว่าเรามีรูปก็มีเวทนาเป็นตัวแสดงใช่ไหมเรารู้ว่าเราหนักเราเบาเราเย็นเลนเร้อนอ่อนแข็งเขร่งตึงเนี่ยมันมีตัวเวทนาเป็นตัวแสดงเวทนาตัวนี้ก็จึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรูปกับนามเพราะนั้นในขันห้าจึงเริ่มต้นเดวอ รูปคงเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามทีนี้ระหว่างสัญญาสังขารวิญญาณมันจะทําหน้าที่ก็อาศัยเวทนาเพราะนั้นเวทนาจึงเป็นได้ทั้งรูปและทั้งนามหมายความว่าเป็นความรู้สึกทั้งกายและทั้งจิตความรู้สึกทางกายเนี่ยเวทนาเราเรียกว่าเย็นร้อนแข็งเข็งตึงเ ว, วทนาทางจิตเราเรียกว่าพอใจไม่พอใจหรือเฉ ย, ยๆเป็นเวทนาเหมือนกันเวทนาทางรูปออกมาเป็นอาการของกาย เวทนาทางนามออกมาเป็นอาการของจิตเราก็พิจารณาเวทนาตัวนั้นให้ชัดๆซ้อมแล้วซ้อมอีกนั่งอย่างนี้มันหนักเรียกว่าทุกขเวทนาปรับไปเป็นเวทนาเบาเรียกว่าสุขเวทนาเบาแล้วสักพักมันเฉยๆเรื่อทุกขมสุขเวทนาพอเปลี่ยนไปสักพักเอาเป็นทุกขเวทนาเกิดีอยู่เงี้ยแล้วก็ดูการเกิดการดับของเวทนาทางกายทางใจไปเรื่อยๆ จนกระทั่งอาการเห็นอาการสุขทุกข์การเกิดการดับของกายของจิตเนี่ยเป็นตัวรู้ขึ้นม า, ากายเป็นตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้ตัวนี้มันก็จะไปแยกระหว่างตัวเวลาทางกายเวลาทางจิตเมื่อก่อนเราแยกไม่ออกเวลาเราปวดขาเราก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอันเดียวกันเวลาเราง่วงเรารู้สึกชอบหรือไม่ชอบ มันกลายเป็นในเดียวกันแต่พอเรามาศึกษาอย่างงี้ปับ๊บพอเราปวดขาเราก็นั่งดูอาการปวดขาว่าปวดขาไปอย่างนี้แสดงว่านา ม, มันแยกออกมาแล้วก็คือผู้ดูแต่เมื่อก่อนตัวนามของเรามันไม่มีพอเราปวดขาปับ๊บเราก็ไปเป็นเวทนาทางกายหมดเลยแต่พอเราแยกเวทนาตัวรูก้กายออกมามาเป็นผู้รู้เวทนากลายเป็นปัญญาในฐานะเป็นผู้รู้อ แต่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติปัญหาสี่ให้มีสติชั่งยะพอเราไม่สบายเราก็คิดว่าเราไม่สบายท่างกายทั้งใจไม่สบายพร้อมกันไปเลยนี่เราแยกกันไม่ออกแต่พอเรามาเจริญสติสัมงยะเข้มแข็งแล้วนี่มันแยกออกมาอ๋อขาปวดใจไม่จําเป็นต้องปวดตามขาก็ได้นี่อปวดหลังอใจไัไม่จําเป็นต้องปวดตามหลังก็ได้นี่ปวดหลังก็คือปวดหลัง ผูรู้คือผู้รู้แยกระหว่างผู้รู้กายออกกับผู้รู้จิตออกผู้รู้ทางจิตพอมาแยกไปอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวรู้คือปัญญาแปลงเวทนาให้เป็นปัญญาโดยอาศัยเวทนาทางกายเนี่ยเป็นที่เฝ้าดูเป็นนิมิตเหมือนกับเราแยกน้ํามันออกจากน้กํากะทิโดยมีตัวกลางคือตัวความร้อนเป็นตัวแยกตัวความร้อนคืออัตาปีแต่ถ้าไม่มีความร้อนไม่ติดไฟขึ้น น้ำกับที่กับน้ำมันก็แยกกันไม่ได้ระหว่างตัวรู้เวทนากายกับเวทนาจิตถ้าไม่มีอาตาปีคือสติสัมมัญญะมันก็แยกตัวรู้ให้เป็นปัญญาไม่ได้โอ้ตรงนี้เองตัวรู้เวทนาทางกายสามารถแปลงเป็นตัวรู้เวทนาทางจิตคือตัวปัญญาตัวนี้เขาเรียกว่าญาณตัวรู้ทางกายเรียกว่ากายญวิญญาณพอมารู้ทางจิตเรียกมโ น, มนวิญญาณพอแยกตัวรู้ออกมาเฉยมันเหลือแต่ญาณ มันไม่มีคําว่าวินวินคือหมายควารู้ทั้ง6ส่วนตามหูจมูกลิ้นกายใจพอแยกตัวรู้ออกมาเป็นเฉยๆเรียกว่าญาณเป็นญาณสามที่นี่อ๋อญาณก็แยกมาจากวิญญาณ น, นั่นเองเนี่เราวิเคราะห์ลงไปโอ้พระุทธเจานี่ทาัทาง้งแยบคลายแหลมคมลึกซึ้งขนาดนั้นแล้วก็ตามไปดูนะเมเป็นอย่างนี้ปับ๊บเวทนาทางกายก็ไม่มีความหมายสําหรับเรา เ, ร, เราแปลงให้เป็นปัญญาให้หมด มันเกิดมาเท่าไร่แปลงเป็นปัญญามันเกิดขึ้นมาเท่าไรแปลงเป็นปัญญาเวทนาทางกายก็เลยไม่ทรมานจิตของเราได้เพราะอะไรเพราะเข้าไปสู่จิตเมื่อไหร่มันแปลงเป็นปัญญาทุกทีแต่ถ้าเราไม่ไม่เจริญสติสัมปชัญญะอย่างที่ว่ามาเนี่ยทางกายคือทุกขเวทนาทางกายมันเกิดด้วยกฎของใยรักเกิดขึ้นเท่าไร่ไปบีบขั้นจิตทุกทีเวทนาทางกายมากเท่าไใ่ไปบีบขั้นจิตทุกทีจิตก็เลยเกิดตัวทุกข์ ด้วยอำนาจของเวทนาทั้งสามแต่เวทนาเบามันก็ไปติดสุขเวทนาหนักก็ไปติดทุกข์เวทนาเฉยๆก็ไม่รู้ราคาโถสัมหะก็เกิดตามมาเป็นมวลทินของจิต ท, ทีนี้แหมกิเลสก็ตามมาดังนั้นเราจะเห็นว่าสติปัฏฐานสี่ที่ท่านตรัสไว้นี่ครบถ้วนจริงๆนะครบถ้วนทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนั้น ก็จึงอยากจะให้พวกเราเอาพิจารณาให้ชัดนะดยการใช้อิบุตใหญ่อิบุตรย่อยใช้ลมหายใจเอามาร่วมกันอย่างที่เราสมมติในเรื่องของสูตรต่างๆนะเข้ามาประสมผสานกันเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มกำลังให้สติสัมปชัญญะเพราะสติสิมปัะที่ไม่มีกำลังั้นมันจะแยกไม่ได้เหมือนเราจะเคี่ยวกบทิถ้าไฟไม่มีกำลัง มันจะไปแยกกะทิกับน้ามันออกจากกันได้ไหมไม่ได้เราตั้งกะทิขึ้นั้งหม้อแกงขนาดใหญ่แต่เราใช้เฟอดุนเดียวใช้เทียนเล่มเดียวเนี่ยมันไม่สามารถจะเดือดได้นะเมื่อมันน้ากะทิมันเดือดไม่ได้น้ามันกับกะทิแยกกันไม่ได้ฉันใดก็ดีสติสัมยะโดยสัญชาตญาณที่มีอยู่ทุกคนเนี่ยมันไม่พอที่จะมาแยกกายกับจิตออกจากกันได้ เราจึงมาเพิ่มด้วยการทำความเพียร น, นี้แหละนะเพิ่มกำลังสติเพิ่มกำลังสัมปชัญญะด้วยการพิจารณาให้เห็นอาการต่างๆของกายของจิตว่ามันสบายหรือไม่สบายมีอยู่ตลอดเวลาให้รู้ทั้งหมดเลยท่านเริ่มต้นท่านบอกให้รู้ลมหายใจเพราะอะไรเพราะลมหายใจเป็นส่วนสําคัญที่รักษาชีวิตเมื่อใดเราขาดลมหายใจปับ๊บเราก็ไปกับหมดเลยท่านก็เอาลมหายใจไปที่ตั้งก่อน อันที่สองลมหายใจมีการเคลื่อนไหวจึงเกิดขึ้นการเคลื่อนไหวในอิริบทตรสี่เกิดขึ้นกายเคลื่อนไหวอิริบทย่อยเกิดขึ้นแล้วเอาลลียบทตสี่และบทย่อยมาเป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งช่วยกันมันก็เกิดกําลังกรรมาฐานทั้งสองเท่าเลยลมหายใจอีกเท่าหนึ่งอิริบท4รอิริบุตย่อยอีกเท่าหนึ่งมันก็เลยไวทีนี้ตัวรู้ก็แยกได้ไวดังนั้นมันจะไวหรือไม่ไวขึ้นอยู่กับเราเข้าใจ นะเข้าใจทำแต่เวลาทําก็ไม่ใช่ว่าจะไปบีไปคั้นไปนวดเอาชิจนมันจะได้ไม่ใช่นะให้ทําด้วยการเรียนรู้ศึกษาทําอย่างไรมันรู้สึกสบายทําอย่างไรรู้สึกไม่สบายให้เรียนรู้มันแต่ถ้าเราต้องการ <c oughs> ความสบายจะบังคับให้ความสบายเกิดขึ้นแตลอเวลาก็ไม่ได้เพราะมีเหตุปัจจัย เมื่อเกิดความไม่สบายขึ้นเราจะไปบังคับความไม่สบายให้หายไปอย่างที่เราต้องการก็ไม่ได้เพราะมันเกิดด้วยเหตุปัจจัยนะแต่เพียงแต่รับรู้มันเท่านั้นเองขณะนี้ความไม่สบายมันเกิดขึ้นแบบนี้ก็รู้มันไปนะหาสาเหตุมันเพราะอะไรซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ปไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจเราจต้อง มีศรัทธาในการศึกษาเมื่อมีศรัทธาในการศึกษาแล้วเนี่ยมันจะมีการปรับความยืดหยุ่นความอพอดีไม่พอดีเราจะปรับหาเลื่อยๆไปเออนั่งอย่างนี้ไม่พอดีเออนั่งอย่างนี้ไม่พอดีเออยืนอย่างนี้มันพอดีเออยืนอย่างนี้ไม่พอดีถ้าไม่พอดีจะรู้สึกไม่สบายถ้ามันพอดีรู้สึกผ่อนคลายนะ มันก็จะเริ่มเห็นปนัญหาเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดความพอดีเพราะชีวิตในฝ่ายของรูปเนี่ยมันหาความพอดีได้ยากนะมันขาดมันเกินตลอดเวลาด้วยอำนาจของอะไรด้วยอำนาจของไตรักนะมันหาความพอดีได้ยากทีนี้ถ้าหากว่าเราหาความพอดีทางกายไม่ได้เนี่ย โอกาสที่จะไปหาความพอดีทางจิตเป็นไปไม่ได้เลยนะที่นี้ความพอดีทางกายคืออะไรข้างนี้เป็นหนักข้างนี้เป็นเบาใช่ไหมนั่งไปนานๆ ม, มันหนักอพอผ่อนคลายมันก็เป็นเบาที่ระหว่างเบากับหนักพอดีกั น, นคืออะไรอะลองลองดูสมมติเรานั่งข้าง น, นี้หนักใช่ไหม เ, เปลี่ยนไปเบาคาว่าเบาพอดีไหม โอ้หนักพอดีหรือเคยใช้ไหมโอ้หนักพอดีหมายเขาว่าส่วนที่เราทนได้นั่นเองเรียกว่าพอดีถ้าหนักเกินพอดีแล้วว่าทนไม่ได้ใช่ไหมถ้าเบาพอดีเป็นไงเราก็ทนที่จะสุขไม่ได้ถ้าหนักเกินไปล้วก็ทนที่จะทุกข์ไม่ได้ท่านจึงใช้คาว่าพอทนได้จึงกลายมาเป็น <c oughs> สำนวนทักทายในสมัยข้าพุทธกาลพระพุทธเจ้าจะเท่าพ่าว่าไง คำมรยังอบวุโสพอทนได้ไหมพระก็จะตอบว่าคำมรยังพันเตพอทนได้พระเจ้าค่ะไม่ได้ถามอย่างคนทุกวันไงคนทุกวันถามกันว่าไงสบายดีไหมชีวิตมันไม่สบายถ้าตอบว่าสบายดีก็ผิดถ้าตอบว่าไม่สบายมันก็ผิดเพราะในส่วนไม่สบายมันมีความสบายอยู่ในส่วนความสบายมันมีความไม่สบายอยู่เพราะฉะนั้นถ้าดู่คำมรยังพอทนได้คำมรยังพันเตทนได้ขอรับอะ เดี๋ยวนี้เป็นไงสบายดีครับมันผิดนะไม่ถูกดาวสภาวัดอันนั้นขมรียงอโวโซเขาถามมาอย่างนี้อ่าขมเรียงพันเตพอทนได้ครับนี่ันั้นคือความพอดีคือพอทนได้มันไม่ถ้าเราทนไม่ได้หมายความว่ามันเกินละสุขจนทนไม่ได้าอาหารนี้ฉันทนที่จะกินสักสองสามจานไม่ได้มันอร่อยเหลือเกินพ่อเราทนไม่ได้นะทนกินมากไม่ได้เพราะมันอร่อย สุขแล้วก็ทนไม่ได้แต่เขาดูต่ออีกสักนิดนะทนไม่ได้ที่จะต่อนะเขากินต่ออีกสักนิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสุขแล้วก็เกินแล้วก็ทนไม่ได้ทุกข์แล้ก็ทนไม่ได้นะแต่ถ้าพอดีหมายความว่ามันก็เกิดความพอดีทางกายนะตอนนั้นเองก็ในช่วงเช้า ว, วันนี้เขาเน้นบทเรียนเรื่องไปหาความพอดีทางกายทางจิตอย่าให้มันสุขเกินไป อย่าให้มันทุกข์เกินไปพอทนได้ถ้าทนไม่ได้ก็เปลี่ยนไปพาเปลี่ยนไปโดยนัยยะของธรรมชาติแท้ๆในชีวิตของเรามีสุขหรือมีทุกข์เป็นเจ้าเรือนมีสุขหรือมีทุกข์เป็นประจําทุกข์เป็นประจ ำ, กกะจำพุทธิเจ้าท่านบอกว่าชีวิตนี้ไม่เวละไมีแต่ ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นมีทุกเทนั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกเทนั้นดับไปถ้ามันมีทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเนี่ยท่านประกันแค่นั้นในร่างกายเนี่ยมันทุกสถานเดียวเพราะอะไรเพราะมันอ น, นิจจังก็ขอให้เกิดทุกขังแล้วก็แตกดับไปทุกใหม่อีกนี่แต่ท่านบอกว่ามันมีทางอยู่ว่าทางจิตนั้นสามารถหมดทุกได้นั่นก็คือว่าอย่าเข้าไปทุกใน ากายกายเป็นทุกข์ก็ยิ่ไปทุกข์กับมันให้ดูมันการที่เราแยกจิตมาดูกายเป็นทุกข์นี่เองจิตจึงหมดทุกข์ได้แต่การยังหมดทุกข์ไม่ได้มีแต่บรรเทาให้เบาบางลงเท่านั้นอย่าให้มันหนักขึ้นนะถ้ามันขึ้นเราก็ทนไม่ได้การที่เราเข้าไปทำกายทำจิตให้มันพอดีนี่เองตรงนี้เองเขาเรียกมัชิมาปฏิปทาพอทนได้สุขก็พรนได้ทุกข์ก็พรนได้เป็นมัชฌิมาปฏิปทา บุตรเจ้าก็จึงมาประกาศเรื่องนี้แต่สำหรับกายนั้นเราก็พอทนได้เราก็ใช้สติบาบัดนะดังนั้นช่วงเช้าวันนี้นะให้เป็นบทเรียนสำหรับวันนี้แล้วก็ในช่วงที่เรา <c oughs> ในช่วงเช้านี้อย่ก็เดี๋ยวใครหน้าที่ประกอบอาหารหรือไปทั้งหมดไปทั้งหมดก็ได้ ไปทั้งหมดจะเยอะไปหรือเปล่าแค่คนให้สองคนก็พอมอะเอาคุณมาริสากับคุณเล็กกันแล้วที่ที่เหลืออยู่ก็ปฏิบัติร่วมกันที่นี่นะก็ให้พอดีอย่ให้มันอันนี้เกินไปให้มันพอดีเพราะฉะนั้นความพอดีทางโลกทางวัตถุกลับมาเป็นความพอเลยความพอเพียงการเป็นทฤษฎีทางด้านเศรษฐกิจมาทันทีเพราะทฤษฎีเรื่องการพอเพียงคือมิมัชิมาปฏิปทาแต่ในความเป็จริงเขอกมันยากหรือมันง่ายพอเพียง มันยากมากเพราะคนเราส่วนใหญ่ชอบเกินโดยเฉพาะนิสัยคนไทยนะกินให้พอดีนี่ไม่มีกินแล้วต้องเหลือถ้าเหลือกินเนีถือว่าพอกินคนไทยแต่ถ้าหากวันพอดีนี่ถือว่าขาดใช่ไหมอ่าคนไทยต้องกินต้องเหลือครึ่งหนึ่งถือว่าพอกินแต่ถ้ามันพอกินินถือว่าขาดไปครึ่งหนึ่งเลยนะอันนี้คือทฤษฎีนี้ิึงใช้คนไทยยากแต่ญี่ปุ่นนั้นพอดี สมัยหนึ่งเนะีเอามาไปอยู่ที่ศรีลังกาวัน15บหาข้าเหมือนกับวันขึ้นในวัน15ข้ามเดือน6กเหมือนกับวันขึ้นภูเขาภูพิง ข, ของเชียงใหม่คนศรีลังกาเขาจะขึ้นภูเขาเรือสีประทาเขาเรียก่าอดัมสปีกแต่ถ้าหากว่าแล้วแต่ทั้ง3มศาสนาเราเป็นเจ้าของเนี่ยถ้าศาสนาคิดเขาเรียกว่าอดัมสปีกอดัมอดัมพีเนี่ยเขาพีกสูงสุดใช่ไหม คนไทยก็ไปตั้งคนศรีรังกาไปตั้ ง, ส, ง, งสิริปาถะคือพระบาทของพระเจ้าชายชิตาศิริปาฐะนึ่คิดเขาเรียกวอาอดัมซีวกแต่อิสลามก็เรียกว่าอดัมอัลอาลาพิกเนี่แหละแต่ปรากฏว่าขึ้นกันทั้งคืนนะตั้งแต่ขึ้นตั้งแต่ห้าทุ่มไปสว่างบนยอดเขาพอดีพอไปถึงยอดเขายอดเขาเนีไปหินทั้งก้อ น, นั้นเราจะมองเห็นพระที่อยู่ข้างล่างตอนะที่ตอนเช้านะขึ้นเราอยู่ข้างบน นี่ตอนเช้ากลับลงมาไปถึงนู่นซึ่ดีสองกลับลงมาถึงเช้าหกโมงเช้าพอดีพระกฏว่าหิวเนาะแวะเข้าไปที่เชิงแกะไรายตีนเขานะมีวัดเซนญี่ปุ่นตั้งอยู่วัดหนึ่งเอามาก็เข้าไปบอกว่าหิวเพราะทานข้าวหน่อยอตอนนี้เป็นช่วงขเขาเลี้ยงอาหารพอดีเจ็นโมงทีนี้เขาก็เอาขอนมปังมาใส่จานให้ ที่ทานไปประกดมันเหลือมันเหลือครึ่งหนึ่งไอเราก็วางจานปรากฏว่าคนญี่ปุ่นในร้านมานั่งกินต่อหมดเลยวะบอกว่าทำเนียมก็เรากินแล้วไม่ให้เหลือกินแล้วให้พอดีเลยเพาะงั้นน่ยเจ้ของร้านบอกอันนั้นหมายถึงว่าญี่ปุ่นที่ศรษฐีพอเพียงของญี่ปุ่นมาทําให้ญี่ปุ่นรวยเป็นเจ้าของเศรษฐกิจไระั่วโลกแต่ประเทศไทยจนตลอดไปเพราะอะไรเพราะว่าเกินถึงว่าพอดี ขาดถ้าว่าพอดีถือว่าขาดมันได้หายากหน่อยดังนั้นนั้นเวลามาปฏิบัติในแง่ของพุทธศาสนาของเราก็จึงมันก็เลยยากจนเพราะมันหาทิษดีกวจะรู้ว่ามาทิษดีพอเพียงที่ไหนได้ในหลวงก็จะไม่อยู่ใช่แล้วนเะพราะว่าเราช้าเกินไปเนี่ยประเทศที่ได้ใช้ความพอเพียงใกล้เคียงที่สุดในยรในอเมริกาในตะวันออกก็คือ ญี่ปุ่นทางตะวัตนตกคือเยอรมันเพราะในญี่ปุ่นเยอรมันเขาแรกทฤษฎีนี้กันมาตลอดนะนนมาไปอยู่ทั้งสองชาติเนี่ยอ๋ออย่างนี้เองนะดังนั้นในแง่พุทธศาสนาถ้าเราหาความพอดีทั้งด้านวัตถุได้เราก็จะร่ํารวยในด้านจิตใจถ้าหาความพอดีได้เราก็ไปถึงนิพพานได้เห็นไหมดังนั้นความร่ํารวยทางจิตวิญญาณคือไปถึงนิพพานความร่ํารวยทางด้านวัตถุคือความพอดีนะดังนั้นถ้า เราไม่ฝึกเรื่องความพอดีทางกายซะก่อนเนี่ยยากที่จะพบความพอดีทางจิตนะเพราะฉะนั้นถ้าถึงเริ่มที่กายกับเวทนาถ้าพบกายกับเวทนาพอดีแล้วจิตมันก็จะเกิดความพอดีเองนะเพราะฉะนั้นช่วงเช้านี่เราทําความเข้าใจเรื่องบทเรียนกันวันนี้นะไปหาความพอดีทางกายและทางจิตเราโดยใช้สติสัมยาที่เราฝึก ท, T, ท e ั้ 4, ทง skt ทั้งอริบทตสทั้งอะไรให้ได้โดยปรับ ทุกขเวทนาที่มันเกินให้ลงมาแต่พอดีให้ทนได้แต่ขณะเดียวกันสู่เวทนาเราก็อย่าไปเสพเสวยมันปรับให้มันพอดีนะแล้วก็จะเข้าใจธรรมะได้ดุ่ยง่ายละขอ้อนูรณาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ให้ทะลุปลุกปงภายในเวลาอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเอือ